เป็นไงเรื่องจิตใจเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราคุมอยู่ไหมไม่อยู่นะเนี่ยจะได้รู้ว่าในเวลาเจอข้อสอบแล้วเป็นยังไงนี่ยังเป็นข้อสอบที่ง่ายเคยยังใกล้ตัวเราพอมากกล้ข้อสอบที่ใกล้ตัวเรายังยังมีอีก ถ้าขะข้อสอบกายตัวเรายังทำให้ใจเราปั่นป่วนได้ต่อไปเวลาเจอข้อสอบของเราเองเจอเวลาที่คนใกล้ตัวเราหรือตัวเราเองเป็นอะไรไปเราจะควบคุมใจไม่ได้ก็จะทรมาน เดินไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งถ้าหมอบอกเป็นมะเร็งจะทำยังไงถ้าคอยฝึกหัดคอยควบคุมใจก็เป็นก็เป็นเลยมันจะทําองไงมันฝนจะตกมาใันจะทำยังไงฝนตกไปห้ามมันได้เปล่าร่างกายมันจะเป็นมะเร็งไปห้ามมันได้เปล่า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 ทางร่างกายของคนอื่นด้วยทั้งของเราด้วยของคนอื่นนี่ไม่หนักเท่ากับของเราของเรานี่หนักกว่าหลายเท่าพอโดยมากเราต้องรักตัวเราเราต้องรักร่างกายของเรามากกว่าเรารักกะร่างกายของคนอื่นแต่ก็ไม่แน่บางคนอาจจะรักร่างกายของคนอื่นมากกว่าร่างกายของตนเอง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 ของร่างกายอันนี้เสียเงินทองก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับการเสียอวัยวะเช่นต้องเสียไตยไปเสียอะไรไปเสียแขนเสียขาเสียตาไปรุนแรงกว่า น, นั้นก็เสียชีวิตนี่คือสิ่งที่เรารักกันมากที่สุดก็คือชีวิต รองลง ม, มาก็คือก็คืออวัยวะรองลง ม, มาก็คือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอ ง, งต่างๆแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราต้องการสิ่งที่ดีกว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องสละมันให้ได้อต้องสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตถ้าเราต้องการความสงบ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 ความสงบนี้เป็นอมตะเป็นของไม่ตายเป็นของที่เราสร้างขึ้นมาและรักษามันได้ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ในการสร้างและรักษามันขึ้นมาพระพุทธเจ้าได้สรงคนคว้าภพธรรมที่จะทำให้ใจของเรานี่นิ่งสงบเย็นสบายไปตลอด ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่นะทานการทำบุญนะการทำทานเป็นการสลาทรัพยนะ์การรักษาศีลก็เป็นการสลาเอวัยวะตาหูไม่ใช้ตาหูจมูกกลิ่นกายไปในการหาความสุขต่างๆ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 จะไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางตาหูจบูกลินกายได้แต่ถ้ามีความสงบก็ไม่เดือดร้อนไม่หาก็ไม่หาความสงบนี่ดีกว่าง่ายกว่าไม่ต้องใช้อะไรมากไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องใช้ตาหูจบูกลิ้นกาย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 ที่ไดจากการนั่งสมาธิพอจากสมาธิมาใจยังมีความสงบอยู่แต่พอเริ่มมีความอยากปับ๊บใจเริ่มกระเพื่อมแล้วใจเริ่มไม่นิ่งแะคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงละครคิดถึงอะไรต่างๆใจก็อยากได้แลพออยากใจก็กระเพื่อมหิวขึ้นมาแทนที่จะอิ่มกับหิว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 มันก็จะไม่มารบกวนเราอีกต่อไปนคนที่เคยติดอะไรพอเลิกแล้วมันก็ไม่มารบกวนใจถ้าไม่เลิกมันก็จะมาคอยรบกวนใจอยู่เรื่อยๆเติดบุรีมันก็จะมารบกวนใจเวลาบุรีหมดเวลาอยากสู้ไม่มีบุรีสู้ก็ต้องลินไปหาเวลาอยากดหนื่อสโซราน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 ปัญญาเห็นโทษของความอยากเราก็อาจจะเลิกความอยากได้ชั่วคราวเช่นเวลาเราไปอยู่ที่ไหนไม่มีสุราเดื่มเราก็ไม่ได้เดือมมันเพราะไม่มีเดือมมันก็อาจจะทํามานนิดหน่อยไม่นานก็หายไปแต่พอเราไปอยู่ที่ที่มีสุราเดื่มเดี๋ยวเห็นก็อยากขึ้นมาอีกก็กลับไปดื่มได้ แต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นโทษมีหรือไม่มีเราก็ไม่ควรจะไปเดือดเพราะว่ากินดื่มแล้วก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆไม่มีวันพอและเวลาไม่มีดื่มก็ทรมานใจต้องเห็นตรงนี้ต้องเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่าการกระทำนำไปสู่ความทุกข์ไม่ได้นําไปสู่ความสุขเราก็จะไม่กล้าทําำ เหมือนถ้าเรารู้ว่าสุรานี้เป็นยาพิษเราก็จะไม่กล้าดื่มก็เดืมเด่มแล้วแทนที่จะเกิดความสุขเกิดความทุกขขึ้นมาใครจะไปดืม่มเนี่ยเห็นแหว่ามันเป็นพิษที่ซ่อนอยู่มันพิษทางใจที่เรามองไม่เห็นมันไม่ได้เป็นพิษทางร่างกายมันไม่ได้ทำให้ร่างกายตายไปทันทีทันใดแต่มันเป็นพิษทางใจทำให้ใจทรมาน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 แต่เรื่องการอยากไปหารูปเสียงกลิ่นนนท์นี่ไม่ไม่ต้องมีใครสอนนะเพราะมันติดมาตั้งแต่ดึกดําบันนะตอนนี้เป็นพวกโรคติดยาเสพติดกันด้วยติดรูปเสียงกลิ่นนนท์นะรูปเสียงกลิ่นนนท์นี่ก็เป็นเหมือนยาเสพติดมันถึงกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดเพราะมันติดติดรูปเสียงกลิ่นนนท์การว่าตันหาอยากในรูปเสียงกลิ่นนนท์ เจตในราบยศสรรเสริญสุขเนอยากจะมีแต่ราบยศสรรเสริญอยากจะมีแต่ความสุขอยากไม่ให้ความสุขอยากไม่ให้ราบยศสรรเสริญเสื่อมไปอยากไม่ให้ร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายอความอยากเหล่านี้มันจึงสร้างความทุกข์ทรมานใจให้เกิดขึ้นเวลาที่สิ่งเหล่านี้มันเสื่อมไป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 อยู่ด้วยกันไม่ได้นะการขนาดไหนก็ต้องแยกกันอยู่นละ้วที่เราหวั่นไว้กันที่เราวุ่นวายกันก็เพราะเราไม่รู้จักควบคุมใจกันไม่รู้จักทำใจให้สงบกันปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสความอยาก เวลาใะอยากอะไรนีใจสั่นนี่แจ่มวิธีแก้ใจสั่นก็คือทําตามความอยากอยากจะได้อะไรก็ซื้อมาพอซื้อมาก็หายสั่นดีใจเดี๋ยวเดียวแล้เดี๋ยวก็สั่นขึ้นมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเห็นโน่นเห็นนี่ก็อยากได้อีกก็สั่นขึ้นมาใหม่ <laughs> โลกใจสั่นเลย นั่งสมาธิกันไม่ค่อยได้ให้นั่งเฉยๆนั่งไม่ได้โงด์เกล็ดํขาขาดใจเเพราะใจมันสั่นมันสั่นพะมันหิวในรูปเสียงกลิกก่นรสหิวกับสิ่งต่างๆหิวกับเรื่องราวต่างๆอันนี้เห็นโทษตอนที่เวลามันสั่นแล้วเราหยุดไปไม่ได้นะเอพราะบางของบางอย่างมันเอาคืนมาไม่ได้ เสียไปแล้วเอาเกิดมาไม่ได้เสียในหลวงไปแล้วเอาเกิมาไม่ได้มันก็มีแต่สั่นไปเรื่อยๆเศร้าไปเรื่อยๆจนกว่มันจะหมดแรงเดี๋ยวไม่กี่วันก็หมดแรงเองไปอันเดียมันก็ไปสั่นกันเรื่องใหม่ต่อไปสั่นกับคนใหม่เดี๋ยวไปรกคนใหม่แล้วยวคนใหม่ไปก็เป็นอีก ม่โทษของการที่เราไปพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราามสิ่งต่างๆจากเราไปเราก็จะเสียใจทุกทรมานใจคบติจานยังสอนว่าให้มาพึ่งของที่ไม่จากเราดีกว่าพึ่งความสงบพึ่งธรรมที่จะทําให้ความสงบเกิดขึ้นพึ่งทานให ให้พึ่งศีลสมาธิปัญญ า, เ, าเงินทองอย่าไปพึ่งเงินเก็บไว้ใช้เท่าที่จําเป็นให้ร่างกายมันพึ่งเงินทองซื้ออาหารให้ร่างกายซื้อเสื้อผ้าซื้ อ, อ, า อ, อยารักษาโรคซื้อปีวาใสายพอมีพอดีมีพอมีพอพออยู่ได้แล้วก็พอ เอาเงินทองนี้เก็บไว้สำรองก็ได้เผื่อเวลาที่ไม่มีรายได้ก็จะได้ใช้มันดูแลรักษาร่างกายไปแต่ไม่ให้เอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไก่ไม่ไปซื้อกระเป๋าถ้าเรามีกระเป๋าพอแล้วไม่ไปซื้อรองเท้าถ้าเรามีรองเท้าพอแล้ว ไม่ให้ไปใช้น้ำหอมไม่ไปใช้เครื่องสำอารอะไรต่างๆใช้ไปทำไมเสียเงินเสียทองปะแปะเข้าไปที่หน้าแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปล้างมันออกแปะมันอยู่ทุกวันวานมันอยู่ทุกวันเห็นแล้วก็ต้องละตอนเย็นก็ต้องตอนก่อนนอนก็ไปล้างมันออก เอาความสวยงามทางใจดีกว่าถ้าอยากจะสวยอยากจะให้คนนรักจริงๆต้องใช้ศีลเป็นเครื่องเสริมความงา ม, มคนที่มีศีลนี่เป็นคนน่ารักมไม่มีใครรังเกียจ<ม>คนที่ไม่มีศีลนี่เป็นคนน่าเกลียด น, น่ากลัวรู้ว่าเขาจะต้องมาป้นเรามา โกงเรามารักทรัพย์ของเรานี่เราอยากจะคบกับเขาไหมบางคนนี่มาในคราบสวยงามแต่งตัวแต่งหน้าทำลายสวยงามมาเพื่อมาจี้เรามาป้นเราด้วยให้เราตายใจพอเราเผลอก็โกงทรัพย์ของเราไป ถ้าอยากจะสวยงามอยากให้มีคนรักเราอย่า ง, างจริงๆ่ามีศีลเอาศีลนี่แหละเห็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเห็นพระอรหันต์คูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างหน้าตาท่านมีเครื่องสำอางที่ไหนเเผาผมท่านมีที่ไหนแต่ทำไมเรารักเราเคารพท่านก็เพราะท่านมีศีลท่านไม่โกหกหลอกลวงเรา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 คนที่ไม่มีสีนี่ต่อให้เสริมความงามขนาดไหนก็ตามเขาก็รังเกียจอยู่ดีอาจจะไม่รู้ใหม่ๆก็อาจจะหลงหลข้างใครแต่พอเห็นนิสัยโผล่ออกมาเห็นนิสัยโกหกโผล่ออกมาเห็นนิสัยขี้โกงโผล่มาเดี๋ยวก็ไม่เอาแล้วไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วย นันอย่าไปเสียเงินทองเสริมความงามเลยเอาเงินทองมาเสริมความงามด้วยการความเมตตาดีกว่าเอาเงินทองไปแจกคนที่เขาเดือดร้อนทุกข์ยากลําบากช่วยเหลือคนที่ยากคนจนเนี่ยในหลวงเราที่เราลักขรรพบันกระพาะท่านสงสารคนจนใช่ไหมออกไปทำดูทําโครงการพระราชดำริไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย แทนที่จะอยู่ในเมืองจัดปาร์ตี้หรือไปเที่ยวเมืองนอกไกลในหลวงไปเที่ยวเมืองนอกมั้งมีแต่ไปนู่นไปจังหวัดที่กันดานรไปดูความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ไปจัดโครงการต่างๆขึ้นมาเพื่อประชาชนที่เราอยู่นี่ก็เป็นโครงการของในหลวงเนี่ยเขาที่ยวนี่ก็เป็นโครงการของในหลวง ท่า น, นเห็นสมเด็จพระสังฆราชขึ้นมาบำเพ็ญท่านก็เห็นว่าเป็นที่ดีที่สงบ ก, ก็เลยจัดโครงการปกป้องรักษาพื้นที่นี้ให้พระภิกษุได้ขึ้นมาบำเพ็ญมีที่ภาวนามีที่สงบผลต้อยได้ก็คือญาติโยมที่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติก็ได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติมีที่ให้พักปฏิบัติได้ เป็นบ้านพักของป่าไม้อันนี้ก็คือว่าจะโครงการของในหลวงเนีวัดยานี้เป็นโครงการของในหลวงทั้งหมดเดินทีวัดยานี้มีญาติโยมเข้าสร้างเข้าถวายที่ประมาณ160ร้อยหกสิบไร่สามีภรรยาเป็นสามีเป็นแพทย์นี่ชื่อไหนแพทย์กัจจรนภรรยาชื่อนิธิวดีมีที่อยู่ร้อยหกสิบไร่ อยากจะสร้างวัดปฏิบัติอยากจะ อ, อยากจะให้เป็นวัดปฏิบัติเหมือนวัดป่าของครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานก็เลยรู้สึกตอนต้นไปถวายให้กับพระที่อยู่จังหวัดจันทบุรีแล้วท่านไม่มีปัญญาที่จะมาพัฒนาไม่มีเวลาหรือท่านมีภาร ก, กิจอะไรของท่านท่านเแนะนำบอกให้ไปถวายสมเด็จ เพระสมเด็จสังฆราชสมเด็จสังฆราชที่วัดโบวอนนี่ท่านชอบปฏิบัติก็เลยไปถาวายท่านก็รับแล้วก็มาเริ่มทําปลูกต้นไม้ก่อนเพราะเมื่อก่อนเป็นที่โลภเป็นที่เชาเป็นไร่มันสัมปหลังอืก็เรื่นี้ของการปลูกต้นไม้กันปลูกก็ตอบปลูกกุฏิพระไม่กี่หลัง แล้วก็นิมนต์หลวงปู่เจีย้ยมาอยู่เป็นหัวหน้าอยู่ช่วงหนึ่งต้องมีครูบาอาจารย์ทางสายกรรมฐานมาวางพื้นรากฐานไว้เพราะกรรมฐานกับพระป่ากับพระบ้านนี่มีธรรมเนียมไม่เหมือนกันะการกินการอยู่นี่ไม่เหมือนกันพระบ้านเขาก็จะกินสองมื้อเอาก็บินทบาทบ้างไม่บินทบาทบ้างไม่ เป็นมวยโกรธครั้งนึ่งถ้ามีเกตไม่หมดก็ไ่ไปบินธบัตนะถ้ามีเกตถ้าไม่มีเกตก็ไปบ้างไม่ไปบ้างแล้วแต่อารมณ์อ๋เ อ, เ, อเดี๋ยวเพนก็มีคนเอามาถวายมีคนมาวัดมาถวายสังฆทานไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่สายวัดปา่านี้ท่านถือธุดดวงควัดการบินธบาตเป็นวัดน เพราเห็นว่ามันเป็นวิธีที่จะปลุกความเพียรแก้ความเกียดค้านเออหลวงตานั่นเคยพูดว่าถ้าปากขยันเท้ามันก็ต้องขยันด้วยอย่าขยันที่ปากอขยันกินแต่ไม่ขยันหาขยันหาถ้ า, ถ, าถ้าถ้าขี้เกียจก็อย่า ก, กินเอ ที่วัดป่าบัรดาท่านอนุ ญ, ญาตไม่ให้บินธบาตก็ต่อเมื่ออุดอาหารถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากจะไปบิณธบาตก็อดอาหารแล้วไปอ ย, อยู่ที่พักของตนบําเพ็ญเพียรส่วนหนึ่งที่พระอยู่ที่วัดปัาบราท่านอดอาหารเพราะว่าถ้าออกมาบินธบาตรมาฉันทิศาลา ม, มันก็เสียเวลาต้องมาเกี่ยวข้องกับคนต้องเห็นรูปเสียงกลิ่นนสอะไรต่างๆ ก็ทําทให้อารมณ์นี้มันวุ่นวายใจที่ยังไม่สงบนี่พอเห็นรูปเสียงกลิ่นรสนี่ใจมันจะกลับเพิ่มขึ้นง่ายแล้วทําทํามันสงบยากถ้าไม่ออกมาบิ็นทบาทไม่ต้องมาที่ศัลาไม่ต้องมาเจอใครก็อยู่ที่พักนั่งสมาธิเดินจงกรมไปค้นอาหารไปปวดอาหารก็ทําให้หิวหิวมันก็ทําให้ไม่ง่วงมันก็ไม่ขี้เกียจ แล้วมันก็บังคับให้ภาวนาเพราะว่าถ้าไม่ภาวนามันจะหิวทางใจด้วยความหิวทางกายไม่ไม่รุนแรงเหมือนกับความหิวทางใจพอภาวนานั่งสมาธิใจสงบความหิวทางใจก็หายไปเหลือแต่ความหิวทางร่างกายที่ไม่หนักหนาสาหัสเลยทําให้อยู่กับความหิวทางทางร่างกายได้น เป็นอุบายที่จะบังคับให้เราภาวนาให้เรานั่งสมาธิเพื่อให้เราเจริญสติควบคุมความคิดที่จะไปคิดถึงเรื่องของอาหารแล้วก็สอนให้เราเจริญปัญญาพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาให้ดูเวลานึกถึงอาหารก็ให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องเวลาที่ถ่ายออกมาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หิวเห็นอาหารแบบนี้แล้วไม่หิว ถ้าเป็นอาหารที่อยู่ในจานอยู่ในร้านนี่โห้น้ำลายไหล <c oughs> นี่คือวิธีแก้กิเลสการ อ, อุดอาหารมันจะทำให้ตอบเวลาฉันอาหารไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมีอะไรก็ฉันได้แล้วพระป่าก็ให้ฉันในบาทด้วยให้อ า, อาหารที่จะไปรวมที่เข้าไปในท้องนี่เข้ามาใส่ในบาทรวมกันในบาทก่อนแล้ววิธีฉันในบาทนี้ท่านก็มีฉันอยู่ สามวิธีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของกิเลสถ้ากิเลสไม่ไม่ไม่หนักไม่หนักไม่ไม่ห น, นักบ้างมากก็เอาใส่เข้าไปแบบไม่แยกไว้ข้าวไว้ข้างหนึ่งกลับไว้ข้างหนึ่งขนมไว้มุมนึ่งอันนี้เรียกว่ากินแบบกิเลสไม่ค่อยดุนแรงถ้ากิเลสที่มันจุ้จี้จุกจิกหน่อยก็ใส่เข้าไปไม่ต้องแยก ไม่ต้องเลือกที่ใส่วางเข้าไปตักเข้าไปข้าวใส่เข้าไปขนมใส่เข้าไปกลับใส่เข้าไปมันจะอยู่ตรงไหนไม่เป็นช่างหัวมันอันนี้ก็ระดับที่สองใส่เข้าไปโดยที่ไม่แยกไม่แยกโซนกันเขาจะระดับที่สามก็เอามาคุกเลย <laughs> เอาเป็นข้าวหมาเลย <laughs> อยากกินอะไรทําลายมันให้หมดอยากกินอะไรผสมกับเอาของหวานผสมกับแกงเผ็ดแกงจืดเอผสมกับข้าวเออกะฟงกาแฟเทใส่เข้าไปขนมของหวานขนมปั ง, ข น, ปงขนมปังอะไรใส่เข้าไป เ, าเดี๋ยวมันก็เข้าไปในท้องมันก็ไปรวบอยูน่นี่เหมือนกันอ่ะมันต่างกันตรงไหถ้าเรากินเพื่อร่างกายเยเราไม่ได้กินเพื่อกิเนเด็ย ถ้ากินเพื่อกินเลยก็ต้องกินแบบฝรั่งใช่ไหมก็มีอาหารชุดแรกก่อนอา <c oughs> <c oughs> ชุดที่สองก่อนชุดที่สามก่อนสี่ห้าชุดหนึ่งแล้วจานก็ต้องเป็นแต่ละชุดช้อนก็ต้องแต่ละชุดซ่อมก็ต้องแต่ละชุดโอ้ยก่อนจะกินเสร็จนี่้องไปล้างถ้วยล้างชามหน่อย <c oughs> หายหิวหายหิวเกิดขึ้นทอืม <c oughs> นั่นหละก็เรยกินกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อเอ๊ะอยู่ก็เรียกอยู่เพื่อกินอยู่เพื่อกินก็ต้องกินแบบพิสดารกินให้มันอร่อยอร่อยกินให้มันเอสนุกสนานเฮฮากันออทางพระเหล่านี้ท่านสอนให้อยู่กินเพื่ออยู่กินเพื่อดับความหิวกินแบบกินยามีอะไรก็คุกมันเข้าไปแล้วมันจะได้ไม่ ไม่ลาบากไม่วุ่นวายมีอะไรก็กินได้หมดแล้วยิ่งถ้ากินมื้อเดียวยิ่งง่ายใหญ่เพราะมันยี่สิบสี่ชั่วโมงกาจะได้กิน่ะกินวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกกี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงถึงจะได้กินะพอถึงเวลานั้นอะไรก็อร่อยไปหมดเพราะมันหิวแล้วก็เรานี้กินแล้วกินกินสามื้อกินสองชั่วโมงสาชั่วโมงอ้ากกินอีกแล้วมันบางทีเรากินไม่ลงมันก็เลยเบื่ออาหารกัน จูจี้จุกจิกกันวุ่นวายกับเรื่องหาอาหารกินกันเอาไม่เชื่อลองกินเมื่อเดียวเลยกินเมื่อเดียวนี่ต่อไปมีอะไรก็กินได้หดเอาไปตรงนั้นก่อนก็ได้จะไปไหนฮะอ๋อ พูดะไรเปสะเปสะปะไม่รู้เริ่มต้นที่ตรงไหนว่าเจาะมาจบที่ตรงนี้การเรื่องโครงการพระรามลิเนี่ยที่ในหลวงท่านสร้างความสวยงามด้านความน่ารักในตัวท่านเนี่ยก็ดูทําไมคนอื่นเป็นพระเจ้าแผ่นดินทําไมไม่มีคนเขารักเหมือนเขารักในหลวงกันเพราะมันไม่ได้อยู่ที่สถานภาพว่าเป็นเจ้าแผ่นดินหรือเป็นอะไร มันอยู่ที่ผลงานอย่างที่มีคําพูดแลผลงานคนคนเราอยู่ที่ผลงานเนี่ยคนเราเราวัดกันที่ผลงานอยู่ที่การก ร, ระทําก็คืออยู่ที่กรรมกรรมแปว่าการกระทําพระพุทธเจ้าที่เราลักเราเคารพก็ผลงานของพระพุทธเจ้าพระสาวกคูบาจารย์ทั้งหลายก็เราลักเคารพท่านเพราะผลงานของท่าน ในหลวงท่านก็อยู่แบบอยู่แบบคนธรรมดาอยู่เห็นที่ทำงานท่านไม่ไม่มีเฟลเนเจอร์นะท่านจะนั่งทำงานกับพื้นส่งงานกับพื้นถ้าไม่ได้ทำแบบคนเศรษฐีต่างๆทำเันะ เ, เศรษฐีเขาเขามีมีการบันเทิงมีการ ทำอะไรต่างถ้าไม่ค่อยบันเทิงใครส่รงงานเนี่ยที่วัดยา น, นี้ก็ได้ได้ในหลวงมาพอสมเด็จพระสังฆราชรับมาสร้างในหลวงทราบขา่าวก็เลยมามาดูแล้วก็เลยมามาร่วมส่งให้ซื้อที่เพิ่มสองพันไร่ที่ข้างล่างเดิมที่มีร้อยหกสิบไร่ แล้วก็มีญาติพี่น้องซื้อเพิ่มถวายให้กับสมเด็จสังฆราชอีกร้อยกว่าไล่เป็นสามร้อยกว่าไล่อันนี้เป็นเหมือนวงเป็นที่ที่เป็น ท, ที่ของทางวัดโดยตรงแล้วในหลวงท่านบอกให้มาซื้อที่ครอบไว้อีกสอง0ันไร่ข้างล่างนี้ก็เป็นเหมือนกับไข่ดาวเนียที่สามร้อยไล่ที่เป็นของวัดเป็นไข่แดง แล้วไ้ข่ขาวนี่ก็เป็นที่นายวงให้ซื้อซื้อเพิ่มขึ้นมาเพื่อทำโครงการพระราชดเริให้ปลูกต้นไม้ปลูกป่าทำจนลประทานทำอ่างเก็บน้ำแล้วก็ทำโครงการต่างๆมีให้กระทระวงเกษตรมาวิจัยศึกษาว่าควรจะปลูกเพาะพืชชนิดไหน เพราะที่นี่ชาวบ้านก็รู้แต่ปลูกมันสัมปะหลังกับรายได้ก็ไม่ดีก็เลยให้มาคน้นดูว่าดินที่นี่ปลูกอะไรได้ก็มีเปมีการทดลองปลู ก, ลกพืชเศษรษฐกิจกันต่างๆแล้วก็มาอะไรปลูกสารพืชปลอดสารพิษต่างๆแล้วก็ เ้วก็ให้สร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรงพยาบาลคนยากคนจนในบริเวณวัดนี้พระจะได้อาศัยใช้ได้ด้วยนะต่อมาก็สร้างศูนย์ผู้สูงอายุสำหรับบริการคนชร า, าไปตุ้งเจาะ จ, จงอยู่ที่การรักษาดูแลรักษาคนคนชร า, าคนสูงอายุ แล้วก็มีโครงการอย่างอื่นชนละประทานทำน้ำทำอ่างเก็บน้ำทำเทำียตัองน้าส่งไปตามนาตามบ้านของชาวบ้านนะให้เขามีน้ำใช้กันน้ำเพาะปลูกกันทางวัดก็ให้ทำป่าป่าทำ ป, ปาปาทำอ่างเก็บน้ำก็เลยเป็นโครงการขึ้นมา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 ตามปกติถ้าเป็นเขตอุทยานนี่เขาไม่ให้ใครเข้ามาอยู่เลยแต่ถ้าเป็นเขตห้ามล่านี่เขามีมีข้อยกเว้นได้วันนี้ก็อีกสองพันไร่รวมโครงการทั้งหมดก็สี่พันกว่าไร่สี่พันกว่าไร่อันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งในหลายพันโครงการของนายหลวง อันไปที่ไหนนั่นก็จะเน้นไ่ทางด้านอทางเกษตรกรรมเพราะคนจนส่วนใหญ่ชาวชนบทส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพเกษต ร, ร, ร, รกรรมกัน่เกษตรกรรมเกษเกษตรกรรมกันทำนาทำอะไรส่วนใหญ่ก็ขาดแหล่งน้ําส่งส่งสร้างแหล่งน้ําต่างๆขึ้นมาอ่างเก็บน้ําทำฟ้ายทําอะไรเอ นี่แหละคือผลงานที่ทำไมเขาถึงถามว่าคนถึงรักในหลวงกันเพราะท่านไม่ได้เป็นเทย์บอยท่นเป็นเวิร์กบอยท่านมีแต่เอางานทำแต่งานอันนี้คือ พูดถึงเรื่องของความสวยงามาเราอย่าไปเสียเงินเสียทองซื้อเสื้อผ้าซื้อของอะไรฟุ่มเฟือยมาเสริมความงานให้กับเราเลยมันไม่ได้เป็นที่ประทับใจของคนหรอกต่อให้เผยใส่เสื้อผ้าสวยงามขนาดไหนแต่ว่าจะหยาบคายว่าจะดูถูกดูเหมือนดูแคลนคนอื่นนี่ใครก็เห็นใครก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ อาวาจาสุภาพเรียบร้อยพูดด้วยความเมตตาใครก็อยากจะฟังฟังเสียงของความเมตตานี่มันสบายใจฟังเสียงของความอาของความถือนื้อถือตัวฉันเป็นใหญ่ฉันเป็นโตเธอมัไนไล่่าไลสภาพนี้ใครได้ยินได้ฟังก็ไม่อยากจะเข้าใกล้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 ลองไปอุปถัมภ์เด็กกำพร้าลคนดูเลยไม่มีลูกก็อยากจะไปอุปถัมภ์ส่งเสริมให้เขาได้เรียนหนังสือได้อะไรไปไห น, นก็เป็นลูกแต่โรงเรียนผู้รู้นี่ก็เป็นโรนนเนงเรียนส่งเสริมเด็กยากจนให้มาเรียนฟรีอยู่สามปีอันนี้ก็โครงการของสมเด็จพรสังฆราชนมหนึ่งถึงมสาม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 เขาอยากจะส่งให้ขึ้นมาฟังธรรมวันนี้บอว่าอันนี้ข้างบนนี้อยากขึ้นมาเลยเพราะข้างบนนี้ต้องการความสงบมา ก, กันเยอะๆอล้เดี๋ยวมันไม่สงบอยังไม่จําเป็นต้องมาถึงขันนี้ขั้นนี้สําหรับอพวกที่โตแล้วพวกที่เบื่อโลกแล้ว <laughs> พวกเด็กๆ ก, ก็ยังต้องไป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 โรงเรียนกินนอนนี่มันก็ดีอย่างนะมันฝึกนิสัยคนสอนให้คนเอมีวินยัยอยู่กับพ่อแม่กับพ่อแม่ก็รักลูกจะทําอะไรก็ทําอยากจะดูทีวีก็ดูอยากจะเล่นเกมก็เล่นอยากจะกินเวลาไหนก็กินรักลูกะแต่รักแบบให้มันเสียเลี้ยงแบบให้มันเสียเลี้ยงแล้วมันไม่มีวินยัยไม่มีระเบียบ ไม่รู้จากการหักข้ามจิตใจนึกอยากจะได้อะไรพ่อแม่ก็รีบประเคนมาให้เลยพอร้องหน่อยปั๊บพ่อจะซื้อมาให้นะแต่ไปอยู่โรงเรียนกินนอนนี่อยากจะได้อะไรมันไม่มีหรอกอยากจะกินอะไรก็ต้องถึงเวลาถึงจะได้กินกินก็ต้องกินพร้อมๆกันนอนก็นอนพร้อมๆกันทำอะไรก็ทำพร้อมๆกันหมด มันก็เลยทำให้รู้จักอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยไม่ไปไม่ไปแหกกฎแหกระเบียบของสังคมนี่แหละการเลี้ยงลูกที่เลี้ยงเลี้ยงผิดแล้วจะมาเสียใจทีหลังเลี้ยงแบบไม่มีวินยัยเอาใจลูกพอลูกโตขึ้นก็จะทำอะไรตามใจตัวเองไม่เคารพกฎหมาย อาศัยว่าพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่มีเงินเดี๋ยวทำอะไรผิดเดี๋ยวพ่อแม่ก็ไปถ่ายออกมาก็เลยไม่มีความเ้ารบ ก, กฎหมายแล้วเดี๋ยวไปเจอคดีหนักๆพ่อแม่ช่วยไม่ได้ก็สวยนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเรา ที่เราจำเป็นที่จะต้องมาควบคุมบังคับมันให้อยู่ให้สงบให้ได้เพราะใจที่สงบแล้วจะไม่เป็นปัญหากับใครไม่เป็นปัญหากับตนเองจะให้แต่ความสุขกับตนเองและกับผู้อื่นดูใจขององค์พระเจ้าเป็นตัวอย่างเนี่ยใจของพระอาหารหันตสาวกเนี่ยใจของท่านสงบการสงบท่านได้ความสุขจากความสงบของท่านและการกระทาของท่านก็ทาอย่างสงบ ทำอย่างไม่มีโทษกับใครมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์เะฉนั้นเราต้องให้เห็นความสำคัญต่อการม า, าควบคุมใจของเราให้สงบให้ได้และสิ่งที่จะทำให้ใจเราสงบได้ก็คือสติสมาธิปัญญาโดยการสนับสนุนของศีลศีลห้าศีลแปดศีลสองรอยี่บเจ็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 จะได้ประโยชน์หลายทางอจะมีมีทรัพย์ภายในติดตัวไปไปก็ไม่ต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณไม่ต้องมาขอส่วนบุญส่วนอะไรของคนที่ที่ยังไม่ตายตายไปไปเป็นเทวดาเี่ยกลับมาก็มีเงินที่เราทํานี้รอเราอยู่เวลาทำมีชีวิตอยู่เวลาทําบุญก็มีความอิ่มใจสุขใจ สุขมากกว่าการเอาเงินไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมาก็หมดแล้วแต่ไปทําบุญกลับมายังอิ่มใจยังสุขใจอยู่แล้วคิดถึงการทําบุญก็ยังอิ่มอยู่แต่ถ้าไปเที่ยวกลับมาพอคิดอยากคิดไปเที่ยวอีกก็อยากไปเที่ยวหิวกึ้นหน่อย yeah. Yeah. <Yeah. S 1> การใช้เงินให้ถูกต้องใช้ด้วยการเราไปทําบุญใช้ด้วยการเราไปเลี้ยงดูร่างกาย อย่าไปใช้เรื่องดูกิเลสตัณหาไอ้ตัวนี้อย่าไปเลี้ยงมันมันมันดุร้ายยิ่งกว่างูพิษอีกงูพิษนี่มันยังไม่ดุร้ายเหมือนกับกิเลสตัณหากิเลสตัณหานี่เวลามันกัดเราเนี่ยโโหทรมานไหมทรมานใจไหยเวลาเศร้าโศกเสียใจนี่เรื่องของกิเลสตัณหาคนระับเวลาสูญเสียแฟนไปเนี่ยสูญเสียคนรักไปเนี่ยหัวใจมันทรมาน อารมมาเพราะความอยากอยากให้เขากลับมาอยากไม่ให้เขาจากเราไปนะการที่เรามาปฏิบัติก็เพื่อมากําจัดไอ้ตัวนี่แหละตัวตันหาความอยากตัวกิเลสความโลภโกรธหลงที่เป็นตัวสร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราเราทําลายด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา พอเรามีธรรมเหล่านี้แล้วกิเลสตายหมดตันหาความอยากตายหมดเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุขที่เรียกว่าปรามังสุขขังบรมมาสุขพอเรามีบรมมาสุขเราก็แบ่งความสุขนี้ให้แก่ผู้อื่นได้ทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไม่รู้สึกเหนื่อยยากพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตัดสรตวแล้วก็บำเพ็ญพุทธกิจอยู่ห้าข้อ นำความสุขมาให้แก่ผู้อื่นห้าครั้งต่อวันตอนบ่ายก็สอนธรรมะให้แก่ญาติโยมตอนค่ำก็สอนธรรมะให้กับภิกษุสามเณรภิกษุณีตอนเด็กก็สอนธรรมะให้กับเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะออกไปโปรดสัตว์บินถบาทก็เล็งดูว่าเล็งยานือว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษ ก็ไปสอนไปให้ความสุขให้ธรรมะกับเขาเวลาบินทบาดก็ให้ความสุขกับคนที่ได้ส่บาตรได้ทําบุญคนได้ส่บาตรได้ทําบุญเขาก็มีความสุขใจทําไมก็ไม่ทําบุญกับคนอื่นเพราะทำบุญกับคนอื่นมันไม่สุขใจเหมือนทําบุญกับคนที่มีศีลมีธรรมนี่ยเป็นประโยชน์เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าแบ่งให้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 ไปไหนก็หิวอยากได้นูน่นอยากได้นี่กันเพราะนไ่ความสุขมันมีกิเลสกิเลสตัวหิวเลยไปไหนมันก็แพ้มันก็เอากิเลสไปเผยแผ่นไม่ได้เอาอารมมาสุขไปเผยแผ่ไปไหนก็อยากจะได้นู่นได้นี่แล้วก็แย่งกันตีกันฆ่ากันขึ้นลงขึ้นศาลกัน นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีกเกลเอะกับผู้ที่ไม่มีเกิเละแล้วผู้ที่ไม่มีกเกลเอะนี่ท่านเขาไม่มีวันทะเลาะกันพระอรหันต์นี่อยู่ด้วยกันกี่รูปไม่มีวันทะเลาะกันไม่มีวันแก่งแย่งชิงดีกันเพราะไม่มีอะไรที่จะดีกว่าสิ่งที่ท่านมีอยู่ในใจแล้วคือบรมสุขเนี่ยใครมีบรมสุขแล้วต่อให้มาตั้งเป็นนายกก็ไม่เอา ให้มาตั้งเป็นในหลวงเป็นพระเจ้าเผ่นดินก็ไม่เอาให้เงินทองมาร้อยล้านพันล้านก็เอาแต่ไม่เอาเก็บไว้เอาไปทำบุญ <c oughs> นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเรามาควบคุมควบคุมบังคับใจของเราให้สงบถ้าเรามาปฏิบัติธรรมกันเรามาหัดดู เป็นช่วงช่วงเนก็นได้มาถือศีนแปดครั้งละสามวันเจ็ดวันแล้วก็มาหยุดความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายมาเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี่นำไปสู่ความชิพหายนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ปรมมั่ปลลมมัสุข นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยาทาวาเรวาหาปุราปะเรปุรเรนติสากะลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัเพปเรนโตสังกปาจันโทปนา r a าโสยะอาม n ิจโตทิหราโสยะอาสัพีติยวิวัจจ n นโตสัพารโควินาสตุ มาเตผวตะวันตาายยสุขีทีคายุโกาวะอภิวาทานศีดิษณะนิจังุทธาปะจายโนจตารุธรมมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลางใครมาที่หลังอยากจะเอาข้าวของมาประเคนก็เข้ามาได้นะ ใครต้องการหนังสือซีดีก็มาหยิบได้ตามอัธยาศัยใครอยากจะกลับก็กลับได้ใครจะอยู่ต่อก็ยังมีอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวจะมีการถามตอบปัญหาทารมต่ออทำไมช่วงนี้มาบ่อยแล้วกันต้องลงไปอนีดยป่ไปครับไปเยไปไปลย ไปมาแล้วเหรอเนี่ยังค่ะไปในหน้าอ๋อไปหน้าไปต้นเตือนภูมิาอ๋อจะเอาตั๋วอะไรช่วงนี้บ้างวันไหนก็มาฟังธรรมอยู่กรุงเทพเหรอครับอยู่ที่กรุงเทพนะอยู่ปากเกร็ดครับผมอ๋อปากเกร็ดปากเกร็ดเขาเรียกนนทบุรีเรียกว่าอยู่นนทบุรี ไปใกล้ทางวัดของกปู่เจ้าป่บที่ที่อยู่ประทุมหรือคนละทางกันก็พ่อบอกว่าไม่ไกลไม่ไกลนสามโคกมัแต่ยังไม่เคยเห็นไม่ไกลไปฮท่านเสียไปนะไหนที่มีคนไข้ก็เป็นหมอเลยเป็นหมอฝันหมอฝันไปกินหรืองเองลยอือ ไปจบกาจากที่ไหนนะอ่ะไม่โดนไม่โดนนะมีหมอจุ๋มรู้จักไหมคระหมอจุ๋มอ า, าจารย์จุ๋มเขาก็เป็นอาจารย์สอนหมอฝันเหมือนกันชื่อทิติการหรืออะไรเนี่ยคงไม่รู้จักแม่พ่อคงจะมีเยอะนะที่ไม่เโดนอ่ะไม่โดนเรื่องรามาอันเดียวกันหรือเปล่ า, าอัน มหาลัยเดียวกันค่ะแต่ว่ารา ม, มากับธันตะแพทย์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันค่ะไม่ได้อยู่ในที่ไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับเพื่อนแกบอกว่าแกสอนอยู่แถวรา ม, มานถวใช่ไหมก็เป็นของไมหิดนใช่ไหมอ่หมอจุงชื่อทิติกาลุท่าจำไม่ผิด เ, เป็นอาจารย์สอน จบมานานแล้วแหะน่าจะเข้าปีปีสิบสองเีแล้สองเปีนะทํานานทางไหนก็บางเรื่องทั่วไปทานานทางไหนเหรอตอนนี้ก็ทําจัดไปเป็นหลักแล้วก็ทำทุกอย่างค่ะอทําได้หมดเลยเรืองก็ทําได้ฝักนาดเทียนได้ป่ะเรื่ยังไม่ฝังเทียนจะมีอาจารย์หรือท่านช่วยทาค่ะ ใครอย่างได้นังซื้อซีดีก็หยิบเอานะมีญาติโ ย, ยมใครอยากจะถามอะไรไหม ไม่มีอ่อยู่ที่อยู่ที่เน้นหมาติดตามได้ั้มติดตามได้นะสะดกลูกจะฟังซีดีรุ่นเก่าๆที่ท่านอาจารย์เทศแรกๆอะค่ะอ่าไดออ่าดทเน็ตก็บางครั้งก็ดูบาก็มอ่าเะั้นคำถามส่วนใหญ่จะเป็นพวกเริ่มต้น ยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องสติเป็นส่วนใหญ่คนใหญ่มักจะคิดว่าจะนั่งสมาธิก็นั่งเลยไม่ต้องมีสติสเตอนั่งแล้วก็ไม่เคยสงบเพราะสติไม่มีกำลังพ อ, อถ้าจะนั่งให้สงบนี้มันต้องควบคุมใจตลอดเวลา มีสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเดินขึ้นตาขึ้นมาก็ต้องคุมใจแล้วไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธไปแล้วอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอาา่าเอทางบ้านมันก็ได้นะลองถามวันนี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ตอบเท่าไหร่มีไหมมีคำถามจากยูทูปมีครับอ๋เลยคําถามคำถามแรกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ อาจจะคุณชวันนะครับ when m i n d comes with positive ideas like not sure for all is this a good stage of the mind or is this still delusion when the mind อ่านอีกครั้งเนี่ย when when the mind comes with positive ideas like not sure for all is this a good stage of the mind or if or is this still delusion Most of the the thought that the mind created by us are all delusional, because they are based on uh, on the things that we have on this earth. Things like doing whatever, mostly is for the benefit of the body. Even if even if it's a noble cause, like uh, help preserve. Uh, the f o r e s t help preserve wildlife, uh, help poor people. All these things still are what we call worldly uh, benefit. Yeah. They don't truly benefit the mind itself. Yeah. The thing that truly benefit the mind is the development of Vipassana and Samatha p o w n a This will be the the the real thing, the the most beneficial, both for us and for other people. First, we have to practice and develop this meditation practice in order to. Develop happiness of mind. Once we have this happiness of mind, then we can share it with other people. The happiness of mind is better than the happiness of the body, because the happiness of mind is eternal, is permanent, while the happiness of body is temporary, and only lasts as long as the body lasts. After the body dies, then this happiness also disappear. But the happiness of mind will last forever because the mind doesn't die like the body. So the Buddha uh, taught us to develop happiness of mind. First, we have to develop within ourselves. Once we know how to develop this happiness of mind, then we can share it with other people. Yeah. But if we develop happiness of body, it's only temporary. We can help people alleviate their suffering, their, their physical suffering, by teach them how to to make a living. But it's only temporary. It only good while the body exists. <clears throat> But once the body dies, then this happiness disappear, s <clears throat> and then the mind will have to come back and reborn, and restart the, the process again. So this kind of uh, benefit is is is in itself damaging in the sense that it keep perpetuating rebirth, keeping k e e p keeping us to come back and reborn again and again. If we rely on the happiness of the body, once we have no body, then we have to come back and reborn and get a new body, so that we can have this happiness from the body again. So this actually perpetuates the rounds of rebirth. We will keep coming back, reborn, and once we are born, we have to face the consequence of aging, sickness, and death. So no matter what we do we, in regarding. With the body or for the body, it is not uh, the. It's still delusional. Let's put it that way. The only way, the non-delusional way, is to develop the mind, develop the happiness of the mind. I hope I can uh, answer this question to your satisfaction. If not, you can send in more, more, more question. s คำถามต่อไปมีสองคำถามย่อยจากคุณสมหมายนะครับหนึ่งเกิดนิมิตบ่อยมากค่ะการบริกรรมจะช่วยให้นิมิตหายไปได้หรือไม่และควรจะปฏิบัติอย่างไรคะได้ถ้าเรามีบริกรรมนิมิตก็จะไม่โผล่ที่มันโผล่เพราะเราไม่มีอะไรคอยควบคุมใจใจมันก็เลยผลิตนิมิตต่างๆขึ้นมาเองในเวลานั่งสมาธินี้จาเป็นจะต้องมีอะไรกากับใจไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆแล้วปล่อยให้มัน ฉ า, ายหนังไปให้เราดูถ้าเรานั่งเฉยๆนี่มอนก็ปล่อยให้มันฉายหนังให้เราดูเดี๋ยวมันก็มีอะไรปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นแล้วเราต้องมีอะไรควบคุมคำกับใจเรียกว่าสติต้องมีกรรมฐานกรรมฐานควบคุมใจเช่นบริกรรมพุทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปถ้ามีอย่างนี้แล้วนันจะไม่มีเกิด ถ้าจะเกิดก็เกิดหลังจากที่มันสงบใจรวมเข้าสู่ความสงบแล้วแล้วมันถอนออกไปรับรู้เรื่องต่างๆอันนี้จะเป็นนิมิที่ไม่ได้เป็นของใจแล้วเป็นนิมิตที่เกิดจากของภายนอกเข้ามาแล้วของจริงไปเห็นเทวดาไปพบเทวดาไปพบกายทิพย์ต่างๆนี้ต้องเป็นใจที่สงบนวมนวมเข้าสู่สมาธิก่อนแล้วถอยออกมาออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆ อันนี้เราเรียกว่าอุปจารสมาธิใจต้องดึงเข้าไปรวมก่อนตกนุ่มตกบ่าววุบเข้าไปก่อนแล้วแทนที่จะนิ่งเฉยๆมันออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้อันนี้เป็นของจริงแต่ถ้าเราเริ่มนั่งหลับตาปั๊บเดียวอนวดกระโโขึ้นมานี่โผล่ขึ้นม า, นนมาก็เป็นเรื่องของใจเราผลิตขึ้นมาใจมันไม่สงบมันก็ผลิตอะไรต่างๆขึ้นมา เวลานั่งเราต้องไม่ไม่ไม่ปล่อยให้ใจผลิตอะไรอย่าปล่อยให้ใจมันใช้หนังให้เราดูเราต้องใช้หนังของเราเองเราต้องใช้ด้วยพุโทโธใช้ด้วยลมหายใจเข้าออกเราใจมันก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้ท่านิถ้ารวมลวงล้วนิ่งอยู่เฉยไม่ไปไม่ไปรับรู้ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิท่านอยู่ได้นานก็อัปปนาสมาธิถ้ารวมแล้ว ถอนถออกับถอนกลับขึ้นมาก็คันิกะสมาธิถ้ารวมแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆก็เรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิมีสามลักษณะด้วยกันสองนะครับพลังจิตสามารถดึงดูดกันได้หรือไม่คะจึงดูดอะไรเนละดึงดูดจิตนะครับน่าจะเป็นพลังจิตสามารถดึงดูดกันได้หรือไม่คะ จิตของใครของมันไปดูดจิตของคนอื่นมาหักเข้าหาเราไม่ได้ไม่ระดับทจิตเดียวกันเจอกันได้อ๋อก็เนี่ยถ้าจะเจอกับจิตที่จิตอื่นก็ต้องก็ต้องมีอุปจารสมาธิคนที่มีอุปจาระสมาธินี้สามารถอดูจิตของคนอื่นได้จิตคนอื่นกําลังคิดอะไรอยู่นี่ก็รู้ได้ หรือมีอิทธิฤปฏิหาในอะไรต่างๆก็เกิดจากจิตที่มีอุปจารสมาธินี้คำ ถ, ถามจากคุณสิณีพระอาจารย์เคยเทศว่าความอยากที่ดีคือความอยากทำทานอยากรักษาศีลอยากภาวนาและถ้าความอยากที่จะให้ครูบาอาจารย์อยู่สั่งสอนไปนานๆเป็นความอยากที่ดีไหมคะโดยสิทธิ์ก็ทำตัวเป็นลิ้นกับแกง โดยการปฏิบัติบูชาและเห็นผลตามที่ท่านบอกตามลํำดับอย่างนี้จะช่วยให้ครูบาอาจารย์มีกําลังใจอยู่เทศฝั่งสอนไปเรื่อยๆบ้างไหมคะคือความอยากมันต้องเป็นความอยากที่ทําได้เกิดขึ้นมาได้เช่นอยากทําบุญนี้ทําได้ตลอดเวลาอยากรักษาศีลหรืออยากภาวนาอยากให้ครูบาอาจารย์อยู่ก็มันบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ท่านจะไปเราจะห้ามท่านได้อย่างไร ยังนมันก็ต้องความอยากแบบนี้ก็ต้องมีขอบเขตก็อยากเท่าที่ท่านอยู่ถ้าท่านไปก็อยากไปอยากพอท่านไปแล้วอยากก็จะเสียใจจะทุกข์ใจความอยากทําบุญก็เหมือนกันอยากจะทำบุญแต่ไม่มีเงินทาบุญก็เสียใจหนะ้าก็ต้องมีขอบมีเขตไม่ต้องอยากแบบมีเหตุมีผลไม่ใช่อยากแบบอารมณ์อยากจะทําบุญ เห็คนหนึ่งเขาทำบุญช่วงนี้ก็ถินอยากจะเป็นเจ้าภาพกว่าเขาแต่ไม่มีเงินไปเป็นเจ้าภาพก็ถินก็วุ่นวายใจก็ผิดแล้วไม่มีทำก็ไม่ต้องทําทําเท่าที่เรามีอยากรักษาศีน <c oughs> ก็เหมือนกันถ้าอยากจะรักษาศีนแปดแต่ตอนนี้รักษาไม่ได้แฟนไม่ยอมให้รักษา ấy. ถ้าอยากจะรักษามันก็เป็นเรื่องขึ้นมาได้ทําให้ใจ <c oughs> วุ่นวายขึ้นมาได้อันนี้ก็ ก็ผิดแล้วเออยากแล้วต้องทําได้แล้วทําให้มันสงบทําให้ใจสงบแล้วมีความสุขถ้าอยากแล้วทําไม่ได้หรืออยากแล้วทาให้ใจวุ่นวายก็ก็เป็นก็เป็นโทษขึ้นมาได้เหมือนกันเั้นต้องดูผลด้วยดูว่าอยากแล้วทําให้ใจสงบหรือทําให้ใจทุกข์ถ้าอยากแล้วทาให้ใจวุ่นวายใจทุกข์ก็อย่าไปอยากมันอย่างรักษาสี่แปดไม่ได้ก็รักษาสี่ห้าไปก่อนอย่างเดี๋ยวจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ เดี๋กวคนหนึ่งถือสีนแปดคนหนึ่งซื้อสินห้าเห่างเช่นเขาไปหาคนถือสีนห้าดีกว่าถ้าอยู่สีนแปดไปก็แล้วกันคำถามจากคุณสมพงศ์กรรมที่ประกอบ ด, ด้วยเจตนาเรียกว่าอะไรครับคือความตั้งใจไเจตนาก็คือความตั้งใจเจาะจงว่าจะต้องทําำจะฆ่าปลาตัวนี้ให้ได้จะได้กินเอามาทอดกินอย่างเนี้อันนี้เรียกว่าเจตนา ฆ่าด้วยเจตนาแต่ถ้าเกิดไปเจอปลามันตายแล้วเราหยิบมาปิ้งมาย่างนี่ไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่ามันมากินมันแต่มันตายแล้วเราก็เลยเอามากินนี้อย่างนี้ไม่มีเจตนาฆ่ามีเจตนากินไม่บาปแต่อย่าไปมีเจตนาฆ่าเขาแล้วกันอา้าวเราไม่รู้ว่าสมมติไปั้านหาแล้ ว, นะลวเราไม่รู้ว่าเขาฆ่ า, าปลาเป็นแบาปไหมคะถ้าไม่รู้จริงๆก็ไม่บาปอะ แต่ถ้ารู้เพีงแต่ทํามันไม่รู้ก็บาปก็รู้อยู่นี่ว่าเขาต้องอาป่าเป็นมาฆ่าอย่างเงี้ยเดีบางทีไม่รู้เอาไม่รู้ก็แล้วไปถ้าเราสั่งแล้วเราไม่ได้ไปชี้ตัวนั้นตัวนี้อยู่ในอยู่ในอยู่ในตู้ให้ให้เราเห็นนี่เอาตัวนี้นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพียงแต่เาไม่นั่งแล้วก็ก็สั่งเขาว่าเอาป่าทอดมาให้ตัวอย่างเงี้ย ไปร้านอาหารเนี่ยเวลาเราสั่งปลาใช่ไหมครับ <c oughs> เราไม่ได้ชี้ก็จริงแต่ว่าเขาไปเอาปลาเป็นมาทำอย่างนีครับถ้าเราไม่เห็นกับตาเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้เขาเอาปลาเป็นก็ปลาตายมามาทำแต่ถ้าเราอยากจะไม่ไม่ไม่อยากที่จะมีส่วนด้วยเราไม่แน่ใจก็อย่าไปกินร้านนั้นก็แล้วกันไปกินร้านที่เราแน่ใจว่าเป็นร้านที่ขายแต่ของที่ตายแล้ว เพราะว่าท่านบอกว่าถ้าเราถ้าเราสงสัยแล้วยังทำไปนี่ mm. ก็ถือว่าผิดเหมือนกันเอ็น mm. ถ้าสงสัยเราก็อย่าทำ mm. เพื่อความปลอดภัยเอยสงไม่แน่ใจว่าเขาเอาของตายแล้วของเป็นมาให้เรากินเนี่ยเราก็อย่าไปกิน้ะหมดเดีย๋ยสั่งของสั่งผัดผักมากินก็นแล้วกัน <c oughs> นั่นจะยุ่งยากเลยเนี่ยเนี่ยกินเจแบบนี้ได้บุญเนี่ย กินเจแบบนี้ได้บุญกินพ่อเลี้ยงไม่อยากให้เขาฆ่าสัตว์เนี่ยอำถามจากคุณธัญญาขอเรียนถามท่านว่าช่วงนี้ปัญหาลุมเล้ามากกำลังล้มละลายเพราะเซ็นจำน้องบ้านที่ดินเพื่อญาติแล้วขอไม่รับผิดชอบอะไรเลยพ่อป่วยมีคดีความกับอดีตนายจ้างตอนนี้รู้สึกเครียดหาทางออกไม่ได้เลยอยากกลับไปเยี่ยมพ่อ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 ไม่ต้องทำอะไรไม่มีเงินไปหาพ่อก็ไม่ต้องไปโทรไปหาก็ได้เออขียนจดหมายไปก็ไดออ้ไม่ต้องเสียตังค์มากจดหมายฉบับเท่าไหร่สองบาทเนี่ยสามบาทเนี่ยเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์กันทุกคนก็โทรไปคุยกับพ่อก็ได้เราให้พ่อฟังว่าตอนนี้หนูยังไม่สะดวกที่จะมาแต่หนูคิดถึงพ่อทุกวันนะออแค่นี้พ่อก็ดีใจแล้วออไม่ต้องไปเห็นหน้าเห็นตาก็หลอก พอาไปเห็นถ้าไปเห็นหน้าเห็นตาแล้วไม่ได้คุยกันก็สู้คุยกันดีกว่าไม่เห็นหน้าเห็นตาใช่ไหมนั้นเราต้องรู้จักปรับตัวเองให้อยู่กับภาพสภาพความเป็นจริงของเราตอนนี้เราจะล้มละลายก็ให้มันล้มไปเรามาเกิดมาเราก็ล้มละลายตั้งแต่ตอนที่เราเกิดเราไม่เห็นนะเวลาเราเกิดมาแล้วก็มาไม่มีอะไรติดตัวมาอยู่แล้วนี่เราจะเป็นเดือดร้อนทําไม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 บางทีเราบอกเรายอมแต่กิเลสมันไม่ยอมเราก็ต้องต้องต้องจับกิเลสมามัดไว้มันถึงจะยอมเอาพุโทโธพุโทโธมัดมันไว้พอพุทพุโทโธมัดมันไว้มันก็อยากไม่ได้แล้วเอาปัญญามาสอนว่าเออความอยากเป็นทุกข์นะอย่าไปอยากอยู่กับความจริงไปมันก็จะหายทุกข์ เพราะพระพุทธเจ้ามีเงินทองนี่แหละพระพุทธเจ้าก็ล้มละลายตลอดเวลาใช่ไหมแต่ท่านล้มละลายแบบมีความสุขเพระเาะฉะนั้นยินดีอยู่กับความล้มละลายใครจะล้มละลายเท่าพระพุทธเจ้าจากพระเจ้าแผ่นดินมาเป็นขอทานเนี่ยไม่ล้มละลายแล้วใครจะเรียกว่าล้มละลายแต่ล้มละลายแบบยินดีไม่ไ ม, ไม่ทุกข์หรอกยินดีจะอยู่กับความไม่มีความความล้มละลาย คำถามจากคุณวิรัตกรรมชั่วใดๆที่บิดามารดาทำไปแล้วสามารถเป็นกรรมพันธ์ส่งต่อให้ลูกๆได้ไหมครับเพราะเคยได้ยินว่าพ่อแม่ทำกรรมไว้เยอะกรรมจึงตกมาถึงลูกไม่ได้หรอกกรรมของใครของมันใครทำกรรมอัใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ถามจากผู้ม่กระสงออกนามเวลาเราทํากับข้าวใส่บาต ท, ทุกเท้าคนในบ้านไม่ค่อยพอใจเขาจะบาตรไหมคะ อ, อ๋อไม่บาตแต่ก็ไม่ได้บุญนะครถ้าเขาล่วมอนุมโมทนาเขาก็ได้บุญที่เกิดจากการร่วมอนุมโมทนาแต่ก็ไม่ได้เกิดจากการทํากับข้าวของเราถ้าเขาอยากจะได้บุญแบบของเราแล้เขาต้องทํากับข้าวทำของเขาเอง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 บางที่มันนั่งด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ได้นั่งด้วยความสงบมันจะวอุทิศยังไงเหตนั้นไอ้ที่แน่นอนก็คือทําบุญปับ๊บเนี่ยมีความสุขใจเอ็งใจเนี่ยอ่ะตอนเนี้บุญแท้แเอาไปได้เลยเหั้นเป็นธรรมเนียมของของคนส่วนใหญ่เวลาเขาทําบุญครั้นเขาเขาเขาอุทิศบุญเขาอุทิศด้วยการทําบุญกันแต่สําหรับผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ก็อุทิศได้ผู้ที่มี สมาธิจิตสงกบกาอุทินได้แต่ไม่รู้เขาได้รับหรือเปลนะ่าะคนรับไม่รู้เขาจะชอบบุญแบบนี้หรือเปล่าหรือเขาชอบบุญแบบขนมน ม, นมเนยคำ ถ, ถามจากคุณลับหากเรารู้สึกไม่ดีกับการโพสโชว์เรื่องที่ยึดติดในกิเลสราบยศเบือกของคนในกลุ่มรู้จักเราควรออกมาจากกลุ่มนั้นหรือไม่ พอเห็นพอไม่เห็นถึงประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านจิตใจจะถือเป็นการหนีปัญหาหรือไม่คะมันหนีปัญหาตรงไห น, นเราเร า, เราวิ่งไปหามันเองไงถ้าเราไม่ไปเข้ากลุ่มมันก็ไม่มีปัญหาเราวิ่งเข้าไปหามันเองคําว่าหนีปัญหาคือเราอยู่ตรงนี้ปัญหามันมาหาเราแล้วเราวิ่งหนีมันอย่างนี้ถึงนี้เลยว่าหนีปัญหาไอ้นี่ปัญหามันอยู่โน่นเราไปวิ่งเข้าไปหามันเองก็รู้ว่ามันเป็นปัญหาเราก็ถอยออกมาสิ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 พยายามฝึกสติให้มากขึ้นเวลาอยากอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าฝืนด่วยกำลังใจอย่างเดียวมันไม่พอต้องใช้ใช้พุโทโธช่วยเวลามันไม่ยอมแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากทําพออยู่กับพุโทโธไปทั้งระยะเดี๋ยวมันก็เริ่มเริ่มงลุยความอยากทํามันก็หายไปคำถามจากคุณอนงนะัท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 เหมือนกับนกกระจ อ, อกกินน้ำคำถามจากคุณบัวทิพย์เมื่อก่อนเคยนั่งสมาธิแบบหายใจเข้าพุทธโธหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจโธออกก็สงบบ้างไม่สงบบ้างพักหลังนี้เลยลองนึกพุทธโธอย่างเดียวแต่ก็ชอบไปรู้ลมหายใจด้วย ควรจันนึกพุทธโธแล้วไม่ต้องสนใจลมหายใจใช่ไหมคะเพราะกังวลที่ลมหายใจด้วยค่ะก็ดูลมหายใจอย่างเดียวแทนก็ได้ไม่ต้องพุทธโธก็ได้แต่ถ้าพุทธเข้าโธออกแล้วมันสงบก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วแต่จลิตแล้วแต่ความพอใจบางคนชอบกินสองอย่างปนกันบางคนเอาอย่างเดียวเดี๋ยวนี้พิซซ่าก็มีหลายรสเละถาดเดียวนี่ข้าวมีสองรสปนกันก็ได้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 คือทุกวันนี้ทุกอย่างในบ้านผมเป็นคนทำทุกอย่างจะมีอุบายอย่างไรขอความเมตตาจากพระอาจารย์ครับก็บอกว่าอใต้เีอนันโนนาโถสิพ่อจะอยู่แบบไหนถ้าเกิดผมตายไปแล้วพ่อจะทำยังไงใช่ไหมคำถามจากคุณกัน ลักษณะจิตรวมเป็นอย่างไรครับเมื่อจิตรวมแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไป อ, อ๋อจิตรวมก็นิ่งสงบเบาสบายมีความสุขมากก็ไม่ต้องทำอะไรก็เสกความสุขนั่นไปจนกว่ามันจะถอนออกมาคำถามจากคุณแสงหลังใส่บาตรพระท่านให้พรควรนั่งไหวหรือยืนไหวเจ้าคะตามใจได้ทั้งนั้นยืนก็ได้นั่งก็ได้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 ถ้าทําด้วยกิเลสแต่ก็ยังได้บุญอยู่จากการที่เราสละเงินล้านนั่นไปเพราะบุญนี้มันเกิดจากการเสียสละเงินของเราไปพอเราเสียสละนี่เราก็ได้บุญนด้นโดยที่เราจะอยากได้หรือไม่อยากได้ส่วนความอยากนี่เป็นเรื่องของกิเลส <c oughs> ซึ่งอาจจะทําให้เราเกิดความผิดหวังได้เช่นอยากให้เขาติดชื่อของเราอยู่ใน กุติหรือในอะไรที่เราสร้างถวายแล้วเขาไม่ติดให้อย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกเสียใจจะเสียความรู้สึกบ้างแต่บุญที่เราเกิดจากการสร้างกุตินั้นเราก็ยังได้อยู่ <c oughs> แต่อาจจะไม่ได้เต็มแต่ได้ได้ได้ผลข้างเคียงมาก็คือได้กิเลสได้ความเสียใจมาได้ความผิดหวังมาถ้าไม่อยากจะผิดหวังก็อย่าไปอยากได้อะไรเป็นผลตอบแทนคุณอาจารย์ครับขอเรียน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 เห็นเห็นเห็นเงจักเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมให้คิกอยู่ตลอดเลเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราเอาอันนั้นมาใช้ได้ใช่ไหมจ๊ะที่ที่จุดประสงค์ที่ที่ท่านใช่เวลาเจ็บมันก็จะบอกว่ากูรู้ว่ามันต้องเจ็บอยู่แล้วกูไปเตือนเต้นตกใจเลยเตรียมตัวรับมันอยู่แล้วเวลาแก่ก็เตรียมตัวรับมันอยู่แล้วเวลาตายก็เตรียมตัวรับมันอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะมาทําให้เราเสียหลักได้ ที่เราเสียหลักเราะเราลื ม, เลมคเราเผลอไปอยากให้อยู่ต่อไปมันก็เลยเสียหลักแม้มันต้องคิดจกนกระทั่งมันไม่ดื้อมันไม่ดื้อแล้วเราก็หยุดคิดได้เอามันจะฝังอยู่ในใจตลอดเวลาอพอโรคปั๊บพอโรคปั๊บมันก็เอะโรคเป็นทํารมน์เดี๋ยวก็ตายแล้วอ่าจุดประสงค์งเพื่อไม่ให้เราลืมไม่ให้เราลง เพื่อเราจะได้ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมาณใจให้กับเราเข้าใจอ่าออไปคำถามจากคุณไกลลินตอนนั่งดูลงหายใจและเริ่มเข้าสู่ความสงบแต่ติดกับน้ำลายที่รู้สึกว่าเต็มปากปลัดทิ้งไม่ได้ยูบายยังไงครับก็อย่าไปสนใจให้เราภาวนาไปมันจะไหลออกมาก็ปล่อยมันไหลไป ปล่อยมันไปยังไม่ได้องไปกังวลกับมันเราไม่ได้หลหอกมันเพียงแต่หลอกเราเราคิดไปเองนั่นเองเพ็านั้ เ, เราก็อย่ามัวแต่มาเกินน้ำลายอยู่เลยแทนที่จะนั่งภาวนามานั่งเกินน้ำลายนะ <c oughs> <c oughs> ให้ดูลมไปหรือพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันเอเรื่องน้ำลายมันก็จะลืมไปแล้วมันก็จะไม่เป็นปัญหาทําถามจากคุณวระพะัฒน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 แต่ความจริงเวลามีปิติมันจะมันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เวลาที่จะบำเพ็ญพิจารณาหรอกเพราะมันมีปิติมันก็ติดปิติติดความสุกกันนั้นก็ไม่อยากจะไปทำอะไรต้องให้มันเป็นอุเบกขาเท่านั้นถึงจะมาพิจารณาได้จิตต้องเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงี่ถึงจะมาพิจารณาทางปัญญาได้ไมาแล้วเนะี่ย เข้ามาจะถอยอะไรเข้ามาเข้ามาเข้ามโอเครักตั้งเลย้ ต่านต้องการต้องซื้อซีดีก็หยุดได้นะไปเดี๋ยวก็มีเข้ามาแต่เงีย็นๆอยากจะถามอะไรมั้ยไหมอ่ามาจากที่ไหนกันพัทยาค่ะเคยมาบ้างไหมไม่เคยแต่เคยมาครั้งแล้วก็ไม่ เจอลิงแล้วก็เลยกลับไปหลายปีพอดีที่ที่พี่แก้วที่สักยันครับอืมอยู่ผมอยู่ตรงข้ามผมก็เดินไปถามเขาอยู่เลยออคถามอะไรเลยผมมาแขกเที่ยวครับถเรื่องกาจะถามเขาเรื่องเรื่องนี้ครับเรื่องว่าอพี่มาบา้างไ้มแต่บอกว่าถ้ามีเวลาก็มาได้นะพอดีวันนี้ก็เลยม า, าเขาจะมาตัวพี่แก้วว่าจะมาเสาร์อาทิตย์ กาจะมาช่วยงานด้วยมาช่วยเขาดูแลพวกลำโพงเครื่องขยายเสียง้ะเป็นไงมาแล้วดีไหมผิดหวังไหมดีค่ะดีคดีมากเลยจ้ะเออแต่หนังสือไปยังอยากเพื่อชวยใจเพราะมีลูกอาจารย์เอาไปเสีงก็ให้ไม่ได้ห้องเลยเดี๋ยวเอาไปได้ ไม่ได้ไม่มาบ่อยใช่เอาไปเนี่ยให้ให้ทุกหนังสือทุกเล่มเนี่ยที่ได้ตั้งไว้นี่ห ย, ยิบไปได้เลยไม่ต้องเกรงใจเป็นแต่ขออย่างเดียวยาวไปแจกคนนั่นเองถ้าไปแจกบางคนมาขนไปนแล้วมันมั น, ม, นมันไม่ใช่หน้าที่เราอหน้าที่เราเอาไปอ่านเราเรามีหน้าตัวเรานี่ที่นี่มีหน้าที่แจกแต่ญาติโยมมีหน้าที่เอาไปอ่านกันไม่ต้องไปทําหน้าที่แจกแล้ว มีเข้ามาไหมอ่าเข้าคำถามจากคุณน้ำฝนเมื่อหนูนั่งสมาธิแล้วเหมือนจิตมันมองเห็นแต่สิ่งไม่สวยงามเห็นศพ บ, บ้างเห็นเป็นคนบ้างค่อยๆกลายเป็นศพ บ, บ้างบางครั้งเห็นกายหย า, อ ย, า, อ, ยาอยู่ดีๆกลายเป็นศพเน่าเฟะอยู่ในโลกเห็นแบบนี้แล้วไม่กล้านั่งทำให้รู้สึกกลัวถ้ามันติดตาถ้าพูดในจริงตนาการเหมือนผีมาหลอก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 ผมเข้าสระยังไงก็ยังไม่สะอาดรู้สึกสกปรกไปหมดขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยค่ะก็อย่างที่บอกนั่งแบบไม่มีอะไรกำกับใจก็เป็นอย่างเนี้นั่งไปแล้วก็ปล่อยให้ใจมันคิดอะไรไปต่างๆนานาผลิตอะไรต่างๆนานาขึ้นมาเวลานั่งต้องมีอะไรควบคุมใจมีพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วอาการต่างๆเหล่านี้มันจะไม่เกิด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 อันนี้นั่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นบ้าได้ที่ก็นั่งแาเป็นบ้าก็เพราะอย่างเงี้ยนั่งแล้วก็ปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาแล้วก็หลงไปตามสิ่งที่เห็นรักบ้างชังบ้างกลัวบ้างหลงบ้างเอทําให้กลายเป็นคนบ้าขึ้นม า, างั้นถ้านั่งแบบไม่บ้าต้องนั่งแบบมีสติก็คือให้มีพุโทโธพุโทโธกํากับใจหรือมีลมหายใจกํากับใจแล้วมันจะไม่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น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 มันก็จะนําไปสู่ความเป็นบ้าได้เออกมาแล้วก็มีปัญหาปล่อยให้มันคิดต่อไปอีกลักษณะการอย่า ง, างที่เมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ย<อ> เ, ปเป็นเรื่องของจริตไม่ใช่จริตแต่ไม่มีสติมันไม่มีอะไรกรํากับใจมันต้องมีพุทโธมันต้องมีอะไรคอยกํากับใจมันถึงจะไม่เป็นนั่งเบาให้มันผลิตอะไรก็ผลิตออกมา แล้วก็ไปดูไปหลงไปไปรักไปชงังไปกลัวไปหลงกับสิ่งที่เห็น mm hmm. ถ้าอยู่กับพุโทโธมัน mm hmm. ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรยังมาโผล่ขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธงเราไปดูลมของเราไปเราไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไป mm hmm. ความสนใจเราเนี่ยไปทําให้มันผลิตขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหลอกเราอยู่เรื่อยๆ mm hmm. ในเวลานั่งสมาธิที่บอกให้มีสติมีอะไรกํากับใจอย่าไปนั่งเฉยๆ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 นี่คือจุดแรกต้องไปอยู่กับคนฉลาดคนที่มีความรู้มากคนที่มีความรู้มากก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไปบวชถ้าอยากจะได้ไปอยู่กับพระไปก็อยู่กับพร ะ, ะปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนพระอริยะสงสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้ยินได้ฟังคาสอนความรู้ต่างๆแล้วต่อไปเราก็จะฉลาดขึ้นมาเหมือนกับเราไปเรียนหนังสือ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 แต่ความรู้ทางธรรมนี้เป็นความรู้ที่จะทําให้เราลอดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เิ่งถ้าเราอยากจะต้องการความรู้ที่แท้จริงด้องอาความรู้ทางธรรมเพราะเป็นความรู้ที่จะปลดเปื้อให้เราออกจากกองทุกข์ต่างๆความรู้ทางโลกจะทําให้เราติดอยู่กับกองทุกข์ต่อไปคําถามจากคุณมุกดาทาบุญแล้วควรอธิษฐานแบบไหนถึงไม่ใช่ความอยากคะ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 เกิดความสุขทางใจเกิดการดับความอยากต่างๆได้ในระดับหนึ่งเอ้งท่านเวลาทําบุญก็ให้คิดว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ทําบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆข้าพเจ้ามีเงินเมื่อไหร่จะเอาไปซื้อกระเป๋าก็ขอให้เอาไปทําบุญทันทีเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินนี้ไปทําบุญทันทีให้ตั้งกิจอธิษฐานแบบนี้ขอบใถามจากคุณกา๊าด เวลานั่งพุโทโธพุธโทโธแล้วบางครั้งคิดเรื่องอื่นไปด้วยหลายเรื่องพอพยายามจะหยุดรู้สึกตึงๆควรทาอย่างไรจะเข้าสมาธิได้คะบางครัง้งรู้สึกทอ้อแต่ก็พยายามทำทุกวันบ่อยๆเขาต้องอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปคิดคิดก็อย่าไปสนใจให้กลับมาที่พุโทโธไปใหม่ๆมันจะดึงกันไปดึงกันมาเหมือนชักกะเยอะกัน ต, <c oughs> ตอนนี้กำลังเวลาเริ่มต้นใหม่ๆความคิดมันมีกำลังมาก ก, กําลังพุโทโธยังมีน้อยอยู่มันก็จะคิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราหัดฝึกพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันเนี้ยเราจะมีกําลังมากขึ้นงั้นอย่ามาพุโทโธเฉพาะตอนเวลาเรานั่งต้องพุโทโธตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเมื่อตาขึ้นมาก็สู้กับมันเลยมันจะคิดเราก็พุโทโธไปทําอะไรก็พุโทโธไปแล้าพอเดี๋ยวถึงเวลานั่งมันก็จะมีกําลังสู้กับมันได้คําถามจากคุณนุชนา ถ้ายุบหนอบ้องหนอได้ใช่ไหมคะได้ยุบหน่อบ้องหนอก็ได้ดูลมที่ปลายจมูกก็ได้หายใจเข้าก็รู้ตรงปลายจมูกหายใจออกก็รู้ตรงปลายจมูกให้รู้อยู่จุดเดียวคํถาถามจากคุณวรัญญาองค์เทพในร่างทรงมีจริงไหมเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันเราไม่เคยทรงไม่เคยเข้าร่างทรงเราไม่เคยตอบเลยคำถามจากคุณบัวทิพ พอมาสนใจการนั่งสมาธิมากขึ้นรู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานแล้วแต่เรายังต้องดูแลครอบครัวอยู่จะต้องทำอย่างไรคะก็ทำให้น้อยลงไปก่อนแล้วก็บอกครอบครัวว่าเตรียมตัวช่วยตัวเองแน่แล้วนะ <laughs> จะไปแล้วเพาะเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอด <c oughs> ไม่ช้าก็นเลยก็ต้องมีวันจากกันอย่างน้อยนี่บอกล่วงหน้าไว้ก่อนจะได้เตรียมตัวได้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 สงบในระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาดูลงค่อยมาบริกรรมพุโทโธคำถามจากคุณ น, น้ำฝนหากนั่งสมาธิแล้วเห็นกายตัวเองเน่าเฟะเหมือนซากศพบางครั้งรู้สึกกลัวควรทาอย่างไรคะก็อย่าเพิ่งไปเห็นให้อยู่กับพุโทโธให้นั่งก็อย่าไปมองอย่าไปดูอะไรถ้าเรายังไม่มีสมาธินิจัยเราจะอ่อนไหวแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ ในเวลานั่งสมาธิอย่าปล่อยให้ใจไปรู้ไปเห็นอะไรต้องการให้ใจนิ่งให้สงบให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาจะ เ, เป็นกลางเป็นอุเบกขาได้ต้องมีอะไรควบคุมใจมีพุทธโธควบคุมใจมีลมหายใจควบคุมยังได้อย่างหนึ่งไม่ได้ตั้งสองอย่างที่ทพูดเดีย๋ยวอาจจะคิดว่าสองอย่างลมอย่างเดียวก็ได้พุทธโธอย่างเดียวก็ได้จะปนกันก็ได้วิธีใดก็ได้ที่ทําให้ใจเราสงบก็ใช้ได้ทั้งนั้น หมดแล้วแล่ะดีก็พอสมควรแก่เวลาน ะ, ะวันนี้ก็ขอให้นำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ